วันนี้คุณสีมีอะไรจะทำอ่ะไม่มีอ่ะครับท่านตั้งครบทตั้งตั้งมาเกือบปีหปีหปีได้ครบสมควรจะเอาเอาไม่ไปเอาพูดก็ต้องพูดผ่านไม้จะไดะยินฮัลโหล ยมยมก็ใส่บาทมาเป็นประจำมันก็เกือบประมาณหกประมาณหกปีได้ละค่ะแต่ว่าม า, าฟังธรรมนี่ประมาณมันกี่ปีอ่ะสี่ปีได้ละค่ะตอนนี้ก็พอจะเข้าใจนะคะที่เมื่อก่อนนี้ที่บอกว่าโง่มไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าเราไปเรียนอย่างอื่นนะคะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับจิต ไม่เรียนกับการฝึกเจ็ดอะไรตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ก็พอรู้เรื่องได้เยอะนะคะตอนนี้โยมก็นั่งสมาธิได้เร็วขึ้นน ะ, ะแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องรูปรูปกายนะะี่ยค่ะเป็นประจำมรณสติด้วยค่ะ ว่าเราต้องตายสักวันหนึ่งไม่รู้วันไหนไม่รู้เมื่อไรออก็ตอนนี้ก็ทำไปประมาณนี้ค่ะทำบุญไปด้วยละโลกเราแยกผู้ตายกับผู้ไม่ตายออกจากกันหรือเอ่าผู้ตายกับผู้ไม่ตายต้องแยกใช่ไหม ว่มีผู้ตายกับผู้ไม่ตายแยกพิจารณาแยกใช่ไหมคะอใครเป็นผู้ตายใครไม่เป็นผู้ตายอาอืมยังไม่รู้เะยมันก็ยากนะอย่างนี้มันเป็นแบบว่าอานึกไปเองใช่ไหมฮะเาขาต้องนึกแล้สิมันมันต้องนึกไม่ต้องไปยืนดูว่าใครตายไม่ตายไม่ก็เวลาตายแล้วก็ เราก็ดูได้ว่าใครตายใครไม่ตายแต่เราเคยเห็นนะคนที่นอนตายแล้วเขาใส่ใส่ไปในโลงเนี่ยยังเป็นคนธรรมดาเพิ่งตายไปสามวันงี้เราเห็นนะแล้วก็จาได้ใช่ไหมใช้ความจำแล้วมันพิจารณาแล้วตัวเราเองมาเทียบกับตัวเราเองซึ่งยังมีชีวิตอยู่ไม่หมายถึง อ, อันนั้นเป็นเป็น เป็นละเป็นร่างกายที่ตายแต่ผู้ที่พิจารณาร่างกายนี้ตายกับแปกตายไปกับร่างกายหรือเปล่าอื ม, อ, มอันนี้เทียบเทีเยมไม่ได้ต้องการให้แยกแยะว่าผู้ที่พิจารณากับผู้ที่ถูกพิจารณานี่มันเป็นคนละคนกั น, นเหมือนหมอกับคนไข้เนี่ย หมอพิจารณาคนไข้ดูแลคนไข้แต่หมอกับคนไข้ไม่ได้เป็นคนเดียวกันใช่ไหมค ะ, ะทีนี้บางทีเราพิจารณาไปแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายอย่างนี้ก็ไม่ถูกเราต้องพูดว่าเราเป็นผู้พิจารณาผู้รู้ผู้คิด ส่วนร่างกายนี้ไม่มีไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลาโทรศัพท์มือถือพังมันไม่รู้ว่ามันพังแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของนม่รู้แต่เจ้าของไม่ได้พังไปกับโทรศัพท์มือถื อ, เ, อ, อเราผู้พิจารณาร่างกายนี่ เ, เป็นผู้ผู้ใช้ร่างกาย เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งร่างกายพอมันตายไปเราผู้ใช้ร่างกายก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องวิตกวักกังวลหวาดกลัวไปกับความตายของร่างกายอันนี้คือให้พิจารณาแบบนี้ให้<อ>ให้ยากให้ยากใจออกจากร่างกาย S <S ถึง<แ>เราจะจะนั่งอยู่อย่างนี้แต่เรารู้อยู่ตลอดว่าว่าร่างกายนี้ก็เหมือนกับหุ่นหุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีอาการสามสิบสองแล้วตัวเราเนี่ย<อ>ไม่ใช่ตัวเร<อ>าคือจิตของเราเนี่ยมาใช้มาใช้ร่างกายอันนี้ให้เดินไปเดินมาปฏิบัติธรรม อ, อแต่ว่าจิตอันเนี้ย เ, <อ>เพราะว่าจิตยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องต้องฝึกจิตใช่ไหมคะฝึกจิตให้เข้าใจว่า ร่างกายเนี้ยมันตายไปมันก็ตายไปอืส่วนจิตนี่อยู่กับของเหม็นๆนี้มันมันไม่มีรูปแล้วเพราะมันสลายไปแล้วจิตจิตก็ต้องออกไปตามทางของมันหรือกลับมาเกิดอีกก็แล้วแต่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือให้รู้ว่าจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายดงั้นจิตไม่ควรจะไปตื่นเต้นตกใจไปกับ ความเป็นความตายของร่างกายค่ ะ, ะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งจะอยู่ได้อีกสามเดือนอดูสิว่าจิตตื่นเต้นตกใจหรือเปล่าร่างกายไม่ได้ตื่นเต้นตกใจนะใครคนที่จะตัวที่จะตายมันไม่ตื่นเต้นหรอกร่างกายมันไม่เฉยมันเดือดไม่เดือดหรอกตายก็ตายเสยมันไม่รู้เรื่องว่ามันตายหรือไม่ตายแต่จิตที่ไม่ได้ตายนี่กลับไปตื่นเต้นตกใจกัน เนี่ยต้องสอนจิตใหม่สอนจิตให้วางเฉยเออย่าไปตื่นเต้นตกใจเพราะว่าวันมาหลายหนใช่ไหมฮะพอเรามาหลายหนแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายที่จะตายไปอร่างกายเขาไม่เห็นตื่นเต้นตกใจเลยเขาหวาดภาวาเปล่าใครหวาดภาวะจิตนี่แหละเพราะความหลงเนี่ย ถ้าห ว, วาดภาวะอยู่ตื่นเต้นตกใจอยู่ก็ยังแสดงว่า ย, ยังหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกา ย, ยเป็นของฉันตัวเองเอตัวของตัวเอง<อ><อ>ถึงต้องให้พิจารณาบ่อยๆแล้วเวลาเจอของจริงจะได้แก้แก้ไขความตื่นเต้นตกใจได้อพอจะตื่นเต้นตกใจก็บอกอเธอกาลังหลงวะนะเธอไม่ได้เป็นร่างกายเธอทำไมต้องไปตื่นเต้นตกใจไปกับร่างกายค่ะ ก็เตรียมตัวเอาไว้ ต, วตลอดลอพิจารณานี่เป็นการพิจารณาที่ใน<อ>ในหลังจากสมาธิในยมโยมกระทําไปคือถ้าไม่มีสมาธิมันจะมันจะทําใจให้เฉยไม่ได้เวลาเวลาร่างกายเวลาใจจะตื่นเป็นตกใจแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีปัญญาสอนใจว่าไปตกใจทำไมเธอไม่ได้เป็นอะไร ผู้ที่เป็นอะไรเขาไม่ตกตื่นเต้นตกใจเลยร่างกายที่จะตายเป็นกายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปเขาไม่เห็นตื่นเต้นตกใจเลยเราไม่ได้ตายไปกับเข า, เาไม่ตื่นเต้นตกใจไปกับเขาเพราะเราไม่มีปัญญาปัญญายังไม่ยังไม่แบบว่าคอนติเนียยังไม่ได้ต่อเนื่องครับอตอนพิจารณาก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา แต่พอหยุดพิจารณาปั๊บกลับไปคิดว่ามันเป็นเราเหรอโดยไม่รู้สึกตัวถ้าตื่นเต้นตกใจกับอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยแสดงว่าหลงละเผลอลืมละเดินไปดื่นหกล้มนี่ตื่นเต้นตกใจกาไปแล้วเนี่ยเดินไปโดนมีดบาดหน่อยตกใจละร้องลั่นนะตกใจแล้ว อ, นนะอ่าเนี่ยแสดงว่าหลงละ ถ้ามีปัญญามีสมาธิมันก็มันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเราเป็นคนใช้มันมันเป็นคนรับใช้เราเราใช้ให้มันไปทำอะไรแล้วมันพลาดโดนมีดบาดหกลม้มหัวชนอะไระก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปเต่นเต้นตกใจไม่ต้องไปโกรธบางทีก็โมโหตัวเองอ เดินไปล้มหกล้มก็โมโหตัวเองไม่โมโหแล้วมันได้แะไ ห, ไหมมันมันก็เจ็บเจ็บจะไปเจ็บสองเด่งทำไมโมโหก็เจ็บใจใช่เจ็บกายแล้วยังไปเจ็บใจทำไมถ้ามีสติปัญญามันจะทันมันจะไม่ตื่นเต้นตกใจมันจะไม่โมโหมันจะไม่เสีย อ, อกเสียใจกับอะไรที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นข้อสอบตอนนี้เราทําการบ้านก่อนไงตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็ตั้งมานั่งซ้อมก่อนทําการบ้านก่อนบอกว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายนะร่างกายไม่ใช่เป็นเราเราเป็นคนใช้ร่างกายเปรียบเทียบเสิเปรียบเทียบร่างกายเป็นมือโทรศัพท์มือถื อ, อมือถือเป็นอะไร อมันไม่ได้คนใช้ไม่ได้เป็นไปกับมันไงใช่ไหมไอให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยดังนั้นพิจารณาร่างกายเมื่อกี้ที่พูดตอนต้นรู้สึกว่ายังไม่ได้แยกเพียงแต่พิจารณาว่าร่างกายมันจะเป็นอะไรอแต่พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์กับร่างกายใจอาจจะตื่นเต้นตกใจก็ได้อห้ยากไปเลยเอเอแล้วก็ถ้าตื่นเต้นตกใจถ้า ถ้าทำสมาธิได้ก็เพียงแต่พุโทโธพุโทโธไปหยึดความตื่นเต้นตกใจแต่มันก็ยังกลัวอยู่นั่นะมันก็ยังกลัวตายอยู่นั่นแต่ถ้าเราใช้ปัญญาแยกแยะเนี่ยมันจะไม่กลัวตาย mm hmm. มันจะว่าเออไปกลัวอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรกับมันเลนยเ mm hmm. นี่ยเราต้องค้นหาตัวเราให้เจอว่าตัวเราอยู่เป็นอะไรกันนะ ตัวเรามันมาจากความคิดไม่ใช่ใช่แล้วความคิดนี้มันมีรูปมีร่างมีหน้ามีตาเปล่าใช่ไหมมันก็คิดแล้วก็ดับดับแล้วก็คิดคิดแล้วก็ดับออแล้วก็มีตัวรู้ที่รู้ความคิดอีกตัวหนึ่งออที่มาด้วยกัน เ, ออเป็นผัวเมียกันตัว ร, รู้ตัวคิดเนี่ยออก็มันก็เป็นตัวที่มาเกาะติดร่างกาย มาใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมความคิดจิตของเราเนะะี่ยต้องควบคุมความคิดไม่ให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นมากมายอมเออก็พิจารณาเรื่องนี้ไปบ่อยๆนะคะจะได้คุ้นเคยกันถ้าควบคุมความคิดได้เวลามันจะคิดไปในทางที่ทตื่นเต้นตกใจแล้วก็หยุดมันได้คค่ะ เราต้องหัดหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ความตื้นความตื่นเต้นตกใจก็เราก็จะหยุดได้เราอาจจะห้ามไม่ได้ความตื่นเต้นตกใจบางทีมันเกิดกันปุ๊บปั๊บแต่เราหยุดมันได้พอตื่นเต้นตกใจก็หยุดมันะอไปตื่นเต้นตกใจกับอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปตื่นเต้นตกใจกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายออื เหมือนกันาบางทีตื่นเต้นตกใจกับแหวนเพชรเรานี้พอแหวนเพชรลืมไว้ที่ไหนตื่นเต้นตกใจขึ้นมาะแต่พอมาคิดอีกทีมันก็แค่แหวนเพชรท่านายหายก็หายไปช่างมันเราก็ยังอยู่ได้คิดอ่าคิดแบบนั้นร่นางกายก็เป็นเหมือนแห ว, วนเพชรที่เราไปลืมทิ้งไว้ตรงไหนพอมาคิดได้วุ้ยแหวนเพชรเราอยู่ตรงไหนวะโอ้ยตกใจเอมาคิดอีกทีอ้ามันไม่อยู่แล้วเราเป็นยังไงหร้อเปล่าเราก็ไม่เป็นอะไร ใชไหมแล้วไม่มีแหวนเพชรเราเดือดร้อนไหมเราก็อยู่ของเราได้เหมือนกันบางทีลูกลูกลูกหายไปไหนไม่รู้เอาลูกมาเดินเที่ยวที่ช้อปปิ้งเดี๋ยวลูกมันซนมันไปเล่นที่ไหนไม่รู้หันมามองอีกทีเอา้าลูกหายไปไหนละตื่นเต้นตกใจเอตกใจทําไมมันไม่เมื่อก่อนเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ไม่เห็นเลย เมื่มันไม่มีมันไม่อยู่ของเร า, า, าก็ยังอยู่คนเราได้ไม่ใช่เหอแล้วจะไปกลัวนทำไมมันจะอยู่มันมันจะไปเราไปห้ามมันได้หรือเปล่าคิดไม่เป็นคิดว่ามันต้องอยู่อย่างเดียวพอมันไม่อยู่แล้วโอ้ยร้อ ง, องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสีสยใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ไม่มีปัญญาเลยใช่ไหมอ่าทีนีพ้พอเราพอเราพิจารณาไปบ่อยๆบ่อยๆเข้านะฮะท่านอาจารย์ค่ะเราก็ เราก็จะมาถึงจุดที่ที่เราเราคิดได้เหมือนกับอัตโนมัติเลยว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยเฉยไม่ต้องไปตกใจเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่หวาดกลัวไม่ตื่นเต้นตกใจเฉยเฉยไม่เป็นบ้าบางคนเองก็เป็นบ้าไปเลยกนเด้ถ้าเกิด เหตุการณ์กับสิ่งที่รักมากๆเนี่ยโอ้เป็นบ้าไปได้ใช่ไห ม, อมพอหลงเนี่ยหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเออ้บอกคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่เช่นไม่มีอะไรเป็นตัวเราตัวเราไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีขนาดออืตัวเราเป็นตัวคิดเท่านั้นเองตัวคิดกับตัวรู้ก็รู้ไปคิดไป คิดให้มันถูกมันก็จะไม่ทุกข์กินผิดมันก็ทุกข์คิดว่าอะไรเป็นเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าคิดว่าไม่มีอะไรเป็นเราก็สบายใช่ไหมของที่ไม่ได้เป็นของเราเราทุกข์แฟนเพจของคนอื่นหายไปเราทุกข์ไหมพอมาเป็นของเราทุกข์ขึ้นมาทันทีนะจงใช้เวลาแฟ น, นคนอื่นี่ <c oughs> เขาเป็นอะไรเราทุกข์ไหมถ้าแฟนเราเป็นอะไรขึ้นมาทุกข์ก็ปะ อ่าพอเป็นของเราขึ้นมาแล้วมันทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยก็ค่อยเลยค่อยไปอ่ะ่นหาเรื่องหาหาใส่หัวเขื่อนเออเอามาเป็นของเราทําไมถ้าไม่เอามาเป็นของเรามันก็ไม่ทุกข์อ่าก็จําไว้นะหัดคิดอย่างงี้ไม่มีอะไรเป็นของเราะเป็นของเราก็ชั่วคราวเอสมมุติเอ่าันดีคืนดีเขาจําเป็นของคนอื่นแล้วเขาจะจากเราไปเราก็ไม่รู้ เราก็ห้ามเขอไม่ได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันมาอาศัยอยู่ด้วยกันชั่วคราวเดี๋ยวถึงเวลาก็ยนนี้มันแยกทางงินไปทางใครทางมันก็เท่านั้นเองเอนี่ต้องมีอะไรใช่ไหอแต่ไม่คิดอย่างนั้นลูกเป็นของเราเป็นอย่างนู้นเป็นนี้พอลูกไม่อยู่กับเราโอ้เสียใจเพราะเราไปเคลมว่าเป็นของเรา อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาปัญญาอนัตตาก็ไม่ใช่ของเราอันนี้จังก็ไม่เที่ยมเป็นของเราชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราตลอดถ้าไปคิดว่าเป็นของเราอยากอยาให้เป็นของเราตลอดก็ทุกเอลามันไม่เป็นของเราใช่ไหมอันนี้ร่างกายก็เหมือนกัน ร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มันก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายอยาคิดอย่างนี้ <c oughs> คิดบ่อยๆอย่าลืมถ้าเวลาปวดท้องขึ้นมาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกดูที่ว่าใจจะ ทันปัญญาสติปัญญาจะทันไหมทําใจได้ไหมนั้นล่ะก็อยู่ที่ปัญญาทันหรือไม่ทันเนี่ยถ้าปัญญาทันมันก็ทําใจได้อุ้ยมันจะตัวเราเนี่ยเห็นตาหัดคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันถึงจะทันอไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันะเดี๋ยวมันเพ้อปั๊บมันกลับไปยึดเหมือนเดิมเอต้องคิดอยู่บ่อยๆเห็นอะไรที่เป็นของเราบอกไม่ใช่ของเราเนอะ เป็นของชั่วคราวนะเออคิดอย่างนี้แล้วเวลามันเป็นอะไรเราก็เฉยทําไมเรื่องทําไมของนี่ไม่ใช่เป็นของเราเราเฉยได้ใช่ไหมแฟนคนอื่นเป็นไงเราเฉยะลูกของคนอื่นเป็นอะไรเราเฉยะเออแหวนเพชรของคนอื่นเป็นอะไรเราเฉยพอมันเป็นของเราเฉยไม่ได้ะ ยังยึดอยู่อ่ะมันหลงไงนี่แหละพิธีพิสูจน์ต้องพิสูจน์ว่าเรามีปัญญาหรือไม่ก็เนี่ยดูดูปฏิกิริยาของใจเรากับสิ่งที่เรามีอยู่ถ้ายังมีความตกใจความหวาดกลัวความเสียดายอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังหลงอยู่ยังหลงไปคิดว่าเป็นของเราอยู่เป็นตัวเราอยู่ แต่ถ้ามันเฉยๆเหมือนกับเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาเป็นอะไรเราก็เฉยๆเวลาเห็นร่างกายของเราก็ต้องเฉยแบบนั้ น, นมันถึงจะแสดงว่ามีปัญญาแล้วก็มีสติที่จะหยุดหยุดความไม่เฉยได้เพราะ<น>อันนี้อันนี้ก็พิจารณาได้ทั้งวันเนี่านอาจารย์ ไม่เฉพาะหลังหลังสมาธิเพราะว่ามันก็มีเรื่องอะไรเยอะๆทั้งวันเลยคือมันพิจารณาได้แต่มันจะเหนื่อยมันก็ต้องหยุดมันจะฟุ้งบางทีพิจารณาแล้วแทนที่จิตจะสงบมันไม่สงบก็แสดงว่ามันพิจารณาผิดละด้วยว่ามันไม่มีกำลัง มันต้องหยุดหยุดความคิดหยุดพักหยุดพักทำใจให้สงบต้องคิดคิดแล้วใจสงบถึงจะถูกถ้าคิดแล้วใจวุ่นเนี่ยแสดงว่าไม่ถูกแล้วมันหลักการก็คือทำสมาธิให้จิตจิตนิ่งก่อนอแล้ ว, ลวตื่นมาคิดคิดสักครู่แล้วก็ ถ, <า>ถ้าคิดถ้าคิดแล้วมันไม่วุ่นก็คิดได้คิดแล้วก็ปล่อยคิดแล้วก็ปล่อยอแต่ถ้าคิดแล้วไม่ปล่อยคิดแล้วเริ่มยืดนี้อก็เริ่มเครียดขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีสติหยุดความเครียดนะแต่เวลาพอเราไปพบเหตุการณ์อะไรที่มันแบบที่ทาอาจารย์บอกว่าเป็นข้อสอบเนี่ยอืมเราก็เอาที่เราคิดไว้ก่อนเนี่ยอ ไปแก้ไขไ ป, ไปพิจารณาตรงนั้นเลยเช่นแฟนจะตายเดี๋ยวใครโทรมาอบอกอตอนนี้แฟนอยู่ไอซอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบเมื่อไหร่ก็ดูที่ใจเราว่าเป็นยังไงใจเต้นตึกงตึ๊ตึหรือเปล่ากกถ้าใช้ปัญญายังไม่หายตึกบก็แสดงว่าสติไม่พอก็ต้องใช้สติ บางทีใช้ปัญญาปับ๊บมันหยุดหายตื้อได้ก็ไม่ต้องใช้สติว่ามันไม่ใช่เรามันจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายอใจก็ไม่ตื่นเต้นตกใจก็แสดงว่ามีปัญญามีสมาธิแต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาว่าเขาจะตายแต่ใจก็ยังเสียวอยู่ยังยังยังอยากให้เขาไม่ตายอยู่ยังใจยัง ต, ตื่นเต้นตกใจอยู่อันนี้แสดงว่า สติไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากถึงแม่รู้ด้วยปัญญาแต่ปัญญากับสติยังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดมนันนี้ก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธไปนางสมาธิทำใจให้สงบเอาอจากความสงบแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่เขาจะตายแล้วทาใจได้หรือเปล่า ถ้าทําใจได้ก็ไม่ต้องข้าสมาธิถ้ายังทําใจไม่ได้ก็กลับเข้าไปสมาธิใหม่ค่ะเข้าใจแล้วค่ะอืโยมก็จะทํำอันนี้ต่อไปร่างกายของเราก็เหมือนกันไม่ใช่แต่ร่างกายของแฟนอื่นเราไปหาหมอข่าวต่อไปตรวจโรคข่าวต่อไปหมอเขาบอกเอ๊ะตับเป็นอะไรซะแล้วมีเนื้ออะไรโผล่ขึ้นมาใจเต้นตุ๊บตุ๊ตุ๊อีกแล้วเป็นที่ตุ๊บก็พ รูป ก, ก็ต้องหยงต้องหยุดมัน uh huh. เราหยุดด้วยปัญญาว่า ม, มันต้องเป็นอย่างนี้ร่า uh huh. งกายไม่ใช่แล้วมันต้องตายแต่ถ้ามันไม่ยอมรับก็ต้องแสดงว่ามันสติต้องเอาสติม า, uh huh. ม, ามาหยุดไอ้ตัวกิเลสปัญญามีแล้วรู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแต่กิเลสยังไม่ยอมรับก็ต้องใช้สติให้มันเข้าสมาธิไป พอจิตสงบแล้วออกมาใหม่ดูเถอะอ่ะตอนนี้รับได้หรือยังถ้ายัางรับไม่ได้ก็ตังกลับเข้าใหม่จังการมันจะรับได้จังการมันจะเฉยได้ออกมาแล้วก็เฉยอันนี้หมายถึงว่าเรารู้เรามีปัญญาแล้วเพียงแต่ว่าปัญญาเรามันขาดผู้สนับสนุนคือสติสมาธิ ตอนนี้เรามีปัญญากันใช่ไหมเรารู้กันนั่งกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอถึงเจอเหตุการณ์จริงเราเฉยได้หรือเปล่าถ้าเฉยไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ทําจิตให้เฉยก็ลองไปฝึกสมาธิทําจิตให้เป็นอุเบกขาให้ได้พอจิตเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้อลองมาดูนั่งกายใหม่จะตายเป็นยังไง มีมะเร็งในตับทำไงโอเคไม่เป็นไรตับก็ตับมะเร็งก็มเะเร็งเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจไม่ได้เป็นมะเร็งใจไม่ได้เป็นตับใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดถ้าสรุปได้แล้วใจเฉยได้แฮปปี้ไม่เดือดร้อนอนั่นแหละตลออันนี้เรียกว่า ที่อาจารย์ถาม ต, ตอนแรกซึ่งยองก็ยังทราบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าการเรียกว่าเป็นการพิจารณาแยกกายแยกจิต ก็ต้องแยกกายแยกจิตอพิจารณากายก่อนเพื่อให้รู้ว่ากายเป็นอะไรแล้วก็มาพิจารณาว่าจิตเป็นอะไรอแล้วก็แยกมันออกจะแยกกันตอนนี้มันมัดกันเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับอินจันเนเหมือนแปดสยามนะแล้วเราก็มาพิจารณาแยกเวลาเราเข้าสมาธิเราก็แยกกันคจิตสงบจิตก็ถอนออกจากร่างกายชั่วคราว พอออกจากสมาธิมามันก็กลับเข้ามาผูกติดกันใหม่อมพอผูกติดตอนนี้เราก็ต้องใช้ความคิดแยกมันอความคิดก็คือปัญญาค่ะอคิดอยู่เรื่อยๆร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเร า, าเดี๋ยวมันจะต้องตายเอมันเดี๋ยวมันต้องแก่เดี๋ยวมันต้องเจ็บเอ่าคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะคิดให้เป็นระบบเออให้มันคิดเป็นติดเป็นนิสัยไม เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราจึงต้องอาศัยร่างกายเป็นรูปร่างหน้าตาของเราเราเป็นเหมือนมนุษย์น่องหุ่นที่เอาเอาเอาร่างกายมาครอบเหมือนกับหุ่นใช่ไหมคะ่ะเหมือนเวลาที่เขาเล่นลามาเกียนเนี่ยเขาเล่นลิเกเล่น นำตัดหรือเล่นอะไรเขาก็เอาหุ่นมาเอาหัวทศกัณฐ์หัวหนุมานมาครอบศีรษะแล้วก็บอกนี่ฉันเป็นทศกัณฐ์ฉันเป็นฮนุมานเราก็เหมือนกันเราก็เอาร่างกายนี้มาครอบใจครอบจิตอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าเราเป็นเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกนายขอเป็นอะไรไปตามลักษณะของร่างกาย เราไม่ได้เป็นมันเราเพียงแต่ใช้มันเป็นเหมือนหุ่นมาทำหน้าที่แทนเรามารับรับคำสั่งของเราอีกที <c oughs> คือสรุปก็คือมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันเราเป็นเหมือนคนควบคุมหุ่นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้เขามีดโดรนเนี่ย <c oughs> เครื่องบิน ถ่ายรูปอะไรคนควบคุมเครื่องกับเครื่องมันคนละคนกันถ้าเครื่องตกมาพังมันคนควบคุมไม่ได้ตกมากับเครื่องหรอยังนนค น, ค, ง น, นควบคุมก็วิ่งหนีไปก็ถ้าตำรวจจับก็หนีถ้าไม่จับก็ไม่ต้องหนีแล้วอย่างอย่างอย่างคนที่ได้รับโทษประหารเขาให้ฉีดยาตายหรือว่ายิงตายหรือ ฝันคอตายแบบนี้ก็ก็เป็นรูปร่างซึ่งซึ่งถูกควบคุมโดยจิตมันจิตจิตเนี่ยผิดแต่รูปกายมันไม่ได้ผิดเพราะจิตเนี่ยไปบอกให้ร่างกายเนี่ยไปยิงเขาทีนี้มันติดกันเง้นเนเาเลยรทว่าในในโลกของเรานี้ยเในโลกของเราเ็าถือว่าจิตกับร่างกายเป็นคนเดียวกัน ฆ่าร่างกายแล้วก็จบเนี่ยมั้ยพอฆ่าร่างกายแล้วจิตก็ไม่มีร่างกายที่จะมาทําร้ายผู้อื่นได้แอ่พิธเขาไม่รู้ตรงที่ว่าจิตยังต้องไปใช้โทษต่อ อ, อ, อ, อีกขั้นหนึ่งไปตกนรกต่อก็เราเครื่องมือคือเอาเครื่องมือของจิตเนี่ยทําลายมันเสียมันจิตงั้นเลยมาสั่งใครไม่ได้มาสั่งให้ไปทําเออมิดีมีร้ายกับผู้อื่นแต่ว่าจิตเนี่ย มันมีมันมีบาปติดติ ด, ดอยู่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายติดจิตรับผิดชอบหมดทุกอย่างใช่ไหมคะจิตก็ยังต้องไปรับโทษต่ อ, อ, อโทษก็คือเวลาไม่มีร่างกายจิตก็อยู่ในสภาพของความฝันไปอยู่ในโลกของความฝันก็จะฝันร้ายหวานหวาดกลัวเวลาเวลาถูกจับนี่ก็หวาดกลัวเวลาจะถูกประหารชีวิตก็หวาดกลัว เวลาตายไปไอภาพนี้มันก็จะมามาหลอนมาหลอกมาหลอนจิตอยู่แบบตลอดเวลาเนี่ยยาวนานเป็นภาพซ้ํากอย่างเงี้ยซ้ำซากจะถูกเขาประหารจะถูกเขาประหารเขาประหารแล้วก็จะเล่นไปเล่นมาจนกว่าจะหมดแรงของบาปที่ทําไว้แล้วถ้ามีบาปยังอื่นมาตามมาก็มีบาป มีมันมีเรื่องอื่นมาให้เราฝันไลยต่ อ, อเพราะในในแต่ละภพแต่ละชาติเราไม่ได้ทำบาปครั้งเดียวหนเดียวเราทำบาปเยอะแยะไปหมดมันก็เก็บรวบรวมไว้เป็นเป็นคลิปอย่างเงี้ยเป็นสารคดีคลิปสารคดีเวลาตายไปคลิปเหล่านี้มันก็จะมาฉายให้เราดูนี่เป็น เป็นโทษที่เรารับหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเราทำบาปแต่ถ้าเราทำดีทำบุญเราก็จะมีแต่คลิปที่ดีคลิปที่มีแต่เรื่องที่มีแต่อิ่ม อ, อกอิ่มใจอิออ่ม อ, อกอิ่มใจดี อ, อกดีใจสดชื่นเบิกบานแจ่มใสมีเรื่องราวที่ดีๆให้ได้สัมผัสรับรู้ไปช่วงที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะ เข้าสู่โลกของโลกของมนุภาพอย่าเรียกว่าฝันดีกว่าจิต จ, จิตนี้จะเป็นเหมือนลงลงภาพยนตร์ที่จะเอาภาพยนตร์ที่จิตไปถ่ายไว้ในขณะที่ที่มีชีวิตอยู่เ น, นี่ยเวลาเราตอนเนี้ยเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเราเป็นมีเรามีกล้องคอยบันทึกบุตทุกอย่างเลยคเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่เราตื่นมาจนเราหลับเนี่ยเรากําลังบันทึกอยู่ แล้วพอเราตายไปแล้วเวลานอนหลับเหตุการณ์ที่เราบันทึกไว้มันก็จะมามันก็จะมาฉายในมโนภาพเราเออแล้วอย่างอย่างจังมียาติยมหลายคนนี่ที่วันๆก็นั่งทําสมาธิทําแต่ความดีทําคิดดีทําบุญทําทานอะไรเงี้ยแล้วพอตายแล้วพอตายไปเนี่ยพอตายไปนี่ก็เจ้าไปสวดมนตม์ต่อไปทําสมาธิต่อ ในจิตเขาไม่เขาไม่ได้สวดแล้วครานั้นเขาเป็นดูภาพยนตร์ที่เขาถ่ายไว้ว่าเขาได้ไปทําบุญไปช่วยคนก็มีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นแหละก็ดีนะฮะเวลาที่เราอยู่เราทําเราถ่ายภาพบันทึกภาพเราบันทึเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําอยู่พอเวลาเราตายไปหรือเวลาเรานอนหลับแล้วภาพหลับเหตุภาพหรือเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะมาปรากฏในมโนภาพของของใจ ในมโนในใจ ใ, นใจก็เป็นเหมือนล ง, ลงภาพยนตร์เนีไงเวลาตื่นแล้วก็เป็นเหมือนเป็นทีมทีมงานไปถ่ายภาพยนตร์เตอนนี้เรากําลังถ่ายภาพยนตร์กันอยู่เดี๋ยวคืนนี้นอนหลับเยราก็ภาพยนตร์ที่เราถ่ายนี้มาฉายดูในใจเรา <c oughs> แต่เวลาไปควบคุมบังคับไปสั่งว่าจะเอาภาพไหนเลือกภาพไม่ได้มันแล้วแต่ว่าเรื่องไหนมันมีคิวของมันน่ มันมีกำลังมากกว่ากันดังนั้นมันก็จะโผล่มาบางทีเรามีเรื่องผูกพันอะไรกับใครมากๆมันอาจจะฝันถึงเรื่องนั้นใช่ไหมบางทีเครียดกับคนนั้นคนนี้บางทีนอนหลับก็ยังคิดยังฝันถึงคนนั้นอยูอ่นั่นมันอยู่ที่กำลังของของความผูกพันของเรากับเหตุการณ์ต่างๆว่ามันมีกำลังมากน้อยเพียงไรแลเวลานอนหลับ หรือเวลาตายไปใ้เหตุการณ์ที่เรามีความผูกพันมากที่สุดมีกำลังมากที่สุดมันก็จะมันก็จะโผล่ออกมาก่อนเหรออ่ายังงถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่เราก็จะคิดว่าตายก็เหมือนนอนหลับนะ <Yeah. S 1> เหมือนไปเปลี่ยนร่างกายใช่ไหม <Yeah. S 1> ช่วงที่เรานอนหลับเวลาเราตายเราก็ทิ้งร่างกายเก่าไป เดี๋ยวพอเราได้ร่างกายใหม่เราก็ตื่นขึ้นมาพอข้อเรามาจากท้องแม่อ่าก็ตื่นขึ้นมาล่ะช่วงที่เรานอร่างกายใหม่ก็เป็นช่วงที่เรานอนหลับนช่วงนั้นเราก็ต้องอาศัยอภาพที่เราบันทึกไว้เหตุการณ์ที่เราบันทึกไว้มาฉายให้เราดูอย่างถ้าเราบันทึกแต่เหตุการณ์ที่ดีเราก็จะมีแต่เรื่องที่ดีอยู่ ลองไปดูไอแพดของเราที่เราถ่ายอะไรไว้เนี่ยเห็นไเราถ่ายอะไรไว้เวลาเราไม่ได้ไปข้างนอกเราจะดูพระเราก็ต้องเปิดไอแพดดูเห็นไหย ม, มันก็อยู่ที่ว่าในไอแพดเรามีอะไรให้เราดเูเราก็ได้ดูในสิ่งที่เราไปถ่ายไว้กรรคือการกระทานี่ก็เป็นสิ่งที่เราบันทึกไว้กรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่ว Yes. วันวันหนึ่งเนี่ยเราทำกรรมอยู่สามแบบกรรมที่ดีเรียกว่าบุญกรรมที่ไม่ดีเรียกว่าบาปแล้วกรรมที่กลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปกรรมที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นยังไงก็ทำอะไรสำหรับตัวเราเองไงเช่นอาบน้ำอาบท่าน้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งทัวกินข้าวอันนี้เป็นกรรมที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป การที่เป็นบุญก็ทําร้ายคนอื่นก็เกิดความสุขมีผลกระทบต่อคนอื่นในทางดีแล้วก็เรียกว่าบุญเนี่ยวันนี้มาทําบุญใช่ไหมมีเกิดผลกระทบในทางดีต่อผู้อื่นเอาเข้าวของมาให้พระใช้ยอย่างนี้หรือถ้าเราไปด่าใครไปทุบตีข้าวของใครเพราะความโกรธนี่มันก็บาปไปทําร้ายไปทําให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วมันก็มี ความรู้สึกต่อเหตุการณ์เหล่านั้นใช่ไห<ค>ะทําบุญก็เย็นใจสบายใจสุขใจทําร้ายทําบาปก็ร้อนใจไม่สบายใจเยเวลานอนหลับมันก็จะมันก็จะสัมผัสกับความรู้สึกนี้ด้วยไม่นอกจากภาพอย่างเดียวมันเหมือนกับเป็นของจริงเลยเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความฝันใช่ไหมเราคิดว่าเราอยู่ในโลกของความจริงใช่ไหม เ, เราฝันเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราเราฝันอยู่นะไม่รู้เรื่องไม่รู้หรอกนยเหมือนกันเราอยู่ในโลกของความจริ ง, รงอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมออนั่นแหละ เ, เราความรู้สึกต่างๆก็เกิดขึ้นความรู้สึกสุขหรือทุกข์ที่เกิดกับเหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับฝันไปถ้าเราทําบาปมันก็จะมีแต่เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกวุ่นวายใจไม่สบายใจเครียด โกรธเกียเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทถ้าทาบุญก็มีแต่ความรู้สึกเย็นสบายอิมเอิบใจสุขใจนี่แหละคือเรื่องของอผลของกรรมกักกรรมกรรมก็คือการกระทาผลของการกระทาก็เกิดขึ้นเวลาที่เรานอ น, อนหลับหรือเวลาที่เราตายไป เวลาที่ตื่นก็เกิดแต่เกิดน้อยกว่าเพราะว่ามันเกิดแป๊บเดียวแล้วเดียวเราก็ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อมันก็เลยหายไปเช่นทำบุญตอนนี้ก็เกิดความสุขใจเดี๋ยวพอขับรถออกไปใครปาดหน้าขึ้นมาก็ด่ากันแล้วบุญก็หายไปแล้วลเพราะมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นมากกกแต่มันจะยังเก็บไว้ในเครื่องในใจอยู่คกนี้นอนหลับมันอาจจะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ได้ เฉันทําอะไรไม่มีวันหายเข้าใจไหมเหมือนคุณบันทึกอะไรไว้ในเครื่องคอมมันลบไม่ได้หรอกเขาสามารถเข้าไปค้นหาได้ถึงแม้เราจะลบแล้วมันก็ลบแต่ชื่อไฟล์เท่านั้นแต่ตัวไฟล์มันไม่ได้ถูกลบเราต้องระมัดระวังเนี่ยการกระทําของเราเนี่ยทั้งวันเลยเพราะมีมีกล้องมองไม่เห็นส่องอยู่ตลอดอเราบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลา มนุภาพเขาเรียกว่าอสัญญาความจำไงตอนนี้มันจําหมดจําทุกอย่างเป็นแมมเบรรี่เป็นแมมเบรีของเครื่องคอมเลยไเครื่องคอมมันจะเซฟทุกอย่างไว้หมดเลยทําอะไรเซฟไว้หมดเลยเห็นอะไรได้ยินอะไรฟังอะไรทําอะไรพูดอะไรกับใครมันเซฟไว้หมดหน้าตอนคืนมันเวลาไม่มีร่างกายเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนมันก็จะโผล่ขึ้นมา แล้วาอาจจะผล่มาในรูปแบบที่ไม่เหมือนของเดิมก็ได้เพราะมันมีสังขารความคิดปรุงแต่งมาปรุงใหม่ก็ได้เออเหมือนมาอุ่นอาหารใหม่อ า, อาหารเก่ามาผสมกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เข้าไปกก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะปรุงกลับกันคือไปทำอะไรใครมันจะกลับมาปรุงกลับมาทําเราเองเราไปทำร้ายเขาเวลานอนหลับมันจะฝันว่าเขามาทำร้ายเรา เราไปช่วยใครเวลานอนหลับเราก็จะฝันว่าเขาจะมาช่วยเรา <sentences. S 2> เราถึงมีความสุขเนี่ยเราถึงมีความทุกข์เพราะเขาจะกลับมาทำร้ายเราทำร้ายเขาแล้วเดี๋ยวคืนนี้เวลานอนหลับเขาจะกลับมาทําร้ายเราในฝันอันนี้เราทําความดีให้กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวคืนนี้เรานอนหลับเขาก็จะมาเขาเขาาจะมาทําความดีให้กับเราในฝันเ ตอนตอนตอ น, นในเรื่องเรื่องฝันเนี่ยจริงๆท่าอาจารย์บอกว่ามันเป็นมันคลิปวิดีโออะไรเนี่ยแล้วแล้วหล่อก็ไปไปปรุงแต่งแล้วมันก็เข้าไปในใ น, ในฝันซึตอนตอนเด็กๆหรือแม่ก็โตแล้วไปไปสอบนะคะทุกทีที่จะไปสอบเนี่ยนะคะโอ้โหอ่านทับล้มทับตายเนี่ยป้ากฏว่าคืนนั้นอะก่อนจะวันสอบเนี่ยป้าก่นว่าขึ้นรถเมย์ไม่ทันหารถเมย์ไม่เจอ จะไปห้องสอบอะไรอย่างงี้นะฮะมันไปปรุงแต่งใช่ไหมเรารู้ว่าเราเราจะไปสอบเนี่ยแต่มาในฝันนะแต่ว่าเราไปไม่ทันสักทีอะนะฮะเลยปรุงแต่งไม่หมดเลยเอาความกลัวไปไม่ทันเนมันก็เลยฝันไปก่อนการสอบเนี่ยไปกลัวอนใจมันผูกพันกับอะไรมากๆบางทีนอนหลับมันจะฝันถึงเรื่องนั้นก่อนเนี่ปแต่งเติมแล้วก็ปรุงแต่งไปเธอเจอไปเธอฝันไป เราตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอเรื่องเรื่องอะไรก็ได้เรื่องแฟนเราก็ได้เรื่องลูกเราก็ได้เรื่องเงินเราก็ได้พอนอนหลับมันก็ปรุงแต่งเพอรเจอไปก็ได้ถึงแต่งงานไปเลยแต่งงานหรืออย่ากันไปเลยแล้วแต่ความอยากของเราอยากไปทางไหนค่ะงานเจ็ดมันพิสดารมากอืออืา า็ต้องเชื่อนะว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะส่งมันจะกลับมาหาเราอย่างที่พรดเจ้าบอกทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยผลของมันก็เกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาในใจเราขณะที่เรานอนหลับขณะที่เราฝันไปขณะที่เราตายไปขณะที่เราไม่มีร่างกายเยมันจะเป็นอย่างนี้เันกรรม กรรมที่ได้มาจากผิดศีลห้านี่แรงมากเพราะว่ามันก็ไปทำอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็มันมันก็มาในวิดีโอเนี่ยการกระทำะไม่ว่าจะเป็นพูดกายวาจานะฮ ะ, ะก็อย่าทำบาปไงบาปมันนอนมันทุกข์ทำแล้วมันจะกลับมาหาเราไปตกยุงเดี๋ยวกลางคืนนอนหลับฝันว่าไปเป็นยุง <c oughs> ให้เขาตก <c oughs> ปาบเลยพวกที่ชอบไปกินซีฟู้ดสดๆแล้วเนาะเดี๋ยวนอนหลับฝันว่าตัวเองไปเป็นกุ้งปลาอยู่ในบ่อให้เขามาชีเอาตัวนี้นะเอาตัวนั้นนะตอนอยู่ห้องกองนะมีเพื่อนเขาเชิญไปปาร์ตี้ก็มีมีมีจานเบเลอร์มานะ แล้วกุ้งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไมทาไมาเขาเออกกุ้งดิบมาให้เราเรากินนะเออป้ากฏว่าเขาเรียกว่ากุ้งเมาค่ะ ข, <c oughs> ข้าเอาเหล้าใส่แล้วแล้วตุ้งเหมือนก็ดิ้นปลาดพ ล, ลาดอยู่นะโอ้ยป้ากดว่าคนกินไม่ได้ไล่ไล่ออกไปโอ๊ไปมีขนาดนั้นนี่ยนะฮะกินดิบเอาเหล้าใส่ให้กุ้ง น, นุ้งเราพิสดา น, าดานอร นอนไม่หลับกันเลยพวกนี้ไม่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อว่าตายไปแล้วยังมีผลตามมาพวกนี้เขาอยู่กับรูปเสียงกดลดิ่นรสเขาเสพการการเสพการของเขาต้องพิสดารวิตถานมันถึงจะมีความสุขชีวิตชีวาเลยต้องค้นหาของกินแปลกๆใหม่ๆ ครับกินของยากๆเห็นปุ๊เห้หูฉลามเนี่ยไหมฉลามทั้งตัวไม่ยอมกินเนื้อมันเอาแค่หูมันน่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องจิตใจว่ามันไม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายทําอะไรไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องไปรับผลของการกระทําของตนต่อไป มีใครอยากจะถามก็ ม, มีคําถามไหยช่วงนี้เอาคําถามนัดหน่อยก่อนเดี๋ยวสิบกว่านาทีช่วงแรกใครอยากจะถามก็ถามได้ไม่มีก็อ่านคําถามจากในเครื่องก็ได้วันนี้ไม่อยากจะพูดมากเหนื่อยให้คนอื่นเขาพูดมากเราฟัง เราขอเป็นมือสองไม่เป็นไรหลไม่รีบร้อนทาสบายทำจริงเมื่อกี้ใช้ใหม่ตัวนั้นก็ได้เออออกไม่ได้นะต้องใช้สองมือ ถามแรกจะทําลายนะคะทําไมการเดินจงกรมแบบเดินช้าๆค่อยๆกําหนดการขยับตัวไปถึงไม่ใช่การเดินจงกรมคะอ๋อก็ใช่นะเพียงแต่ว่ามันเดินแบบช้าๆนั้นเองซึ่งมันผิดผิดปกติเพราะว่าการเดินจงกรมนี้เราเดินตามปกติก็ได้การฝึกจิตนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเดินช้าแบบนั้น ทีคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าถ้าเดินช้าแล้วจะมีสติดีกว่าเดินเร็วเขาก็เลยเดินช้าๆเช่นรู้ทุกทุกทุกการเปลี่ยนแปลงของลเทา้าเช่นยกขึ้นก็ว่ายกหนอพอก้าวก็เรยว่าก้าวเนอพอวางก็วางหนออก็เลยดูเป็นเหมือนกับเป็นรำวยจีนยังไง ไ ม, ไม่ได้เดินจงกรมเฮยกหนอเก้าวนอวางหนอดีไม่มีมือสายไปสายมาด้วยแตาอันนี้เป็นการฝึกสติแบบอนุบาลถ้าจิตเรามันมันไม่มีสติเลยมันถ้าเดินเร็วมันจะไม่มันจะไม่ทันกลัวจะไม่ทันก็เลยให้มันเดินช้าจิตเราจะได้ทัน แต่ความจริงจิตเรามันเร็วกว่าร่างกายเยอะแยะแต่คนปฏิบัติบางคนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้เขาก็เลยมาสอนอย่างนี้เข้าใจั้ยบางคนก็เห็นว่าเขาได้สติเพราะว่าเขาหัดช้าๆก่อนยกก้าววางยกก้าววางต่อไปก็เร็วขึ้นยกวางยกวางไปเลยต่อไปก็ซ้ายขวาซ้ายขวาได้อันนี้ก็เหมือนกับเรียนกอไก่ขอไข่ตอนเริ่มต้นก็อาจจะต้องกอไก่ขอไข่ก่อน ต่อมาก็มาสละอะสละอาต่อมาก็ประสมกันกอสละอะกอสละอาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเดินจงกรมแบบธรรมดาไม่ได้สติไม่ทันก็มาหัดแบบนี้ก่อนก็ได้ยกหนอยกก้าวนอวางนออันนี้ จะใครเขาจะว่าเป็นการเดินจงกรมหรือไม่เดินจงกรมก็เป็นเรื่องของการว่ากันนั้นเองความจริงเป้าหมายก็คือต้องการฝึกสติให้จิตมันไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เช่นร่างกายกําลังเดินก็ให้อยู่การเดินเนี ค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะมารดาเสียชีวิตเข้าปีที่สองแล้วโดยส่วนตัวจะทําบุญตักบาทถวายสังฆทานเมื่อมีโอกาสอยากทราบว่าอุทิศบุญหรือทําอย่างไรที่มารดาจะได้รับบุญนี้คะคิดถึงมากค่ะกราะขอบพระคุณค่ะเรื่องของมารดาเรื่องของคนตายนี่มันเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ในในในภาวะแบบไหน ภาวะถ้าเ็าอยู่ในภาวะที่หูหิวโหวยขาดบุญเขาก็จะมารอรับบุญที่เราส่งไปได้แต่ถ้าเ็าอยู่ในภาวะอย่างอื่นเขาก็จะไม่มารอรับบุญของเรางั้นเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะไหนเราก็เราก็ไม่รู้แต่หน้าที่ของเราเราทาได้ก็คือทําส่งไปเรื่อย เวลาทําบุญเราก็อุทิศบุญไปได้ส่วนเขาจะรับได้หรือไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของเขาคําถามข้อต่อไปจากคุณสาวิตรีค่ะถ้าเรานั่งสมาธิไปสักพักแล้วจิตเราเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกับว่ามีแก้วมาครอบไว้มองเห็นอาการภายในตัวเองแต่ไม่เกิดความสุขจากความสงบแบบนี้เรียกว่าสมาธิไหมคะ และถ้าเป็นสมาธิจะเรียกว่าอยู่ขั้นไหนคะแล้วต้องทําอย่างไรต่อคะมันไม่เป็นสมาธิมันไม่สงบไมันเป็นนิมิตมันเป็นภาพเพราะว่าเราไม่ควบคุมจิตเราไม่พุโทโธเราไม่ดูลมหายใจเข้าออกภาพต่างๆมันก็เลยปรากฏขึ้นมามันไม่เป็นประโยชน์มันไม่ได้ให้เรามีความอิ่มใจสุขใจไม่มีอุเบกขาเพราะน ถ้าจะเรียกว่าเป็นมิสมาธิกับมิฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ถูกไม่ใช่ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการคือใจให้มีความสงบมีความสุขมีปิติมีโอเบขาอย่งนั้นก็ต้องนั่งด้วยสติต้องมีอะไรกํากับใจเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจ ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจิตก็จะนิ่งจะสงบหรือถ้าไม่พุโทโธก็ดูลมหายใจไปดูลมไปอย่างเดียวหายใจเข้าหายใจออกดูที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดี๋ยวจิตก็จะสงบจิตก็จะมีความสุขคําถามข้อต่อไปจากคุณกิติยาค่ะร่างกายตายแต่จิตไม่ตายใช่หมคะพ ร, าาระอาจารย์กราบสาธุ ค, ค่ะ ก็พูดมาต้องเกือบชั่วโมงลค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณนิพิทาค่ะการเจริมราณานุสติที่สมควรทำในชีวิตประจำวันแบบไหนเจ้าคะถึงจะพอดีพอดีและมีประโยชน์ต่อใจเราค่ะก็เตือนเราเรื่อยๆว่าเดี๋ยวร่างกายเราไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวมันก็ต้องตาย เ, เราไม่ได้เป็นร่างกายเราอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับความตายของร่างกาย ร่างกายนี้หนีไม่พ้นความตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็คิดเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆเป็นการทำการบ้านไปเผ่อเพราะเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายถ้าเราทำการบ้านไว้มันก็จะมาช่วยให้เราระงรับความตื่นเต้นตกใจได้คำถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยาค่ะ ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าคะ่ะผู้ที่ป่วยเคยเดินกินเองได้ปกติผ่านมาสี่เดือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ่นอยากจะละโลกโดยกินโดยกินยาเบื่อหนูเพราะไม่อยากมีสังขารนี้ควรให้กำลังใจหรือพูดเช่นไรเพื่อเลิกบน่นคร่าครวญกับสังขารนี้และท่านก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเจ้าคะ่ะถ้าไม่เลยปฏิบัติธรรมเลยก็ยากเพราะว่า การปฏิบัติธรรมนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนที่พึ่งแทนที่จะพึ่งร่างกายเราพึ่งการปฏิบัติธรรมแทนเพราะการปฏิบัติธรรมก็จะให้ทําให้เรามีความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้จากร่างกายถ้าเราได้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่วุ่นวายไม่ไปเดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะอยู่จะเป็นจะตายมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เหตน้ต้องหัดให้เขาปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าปฏิบัติธรรมไม่ได้สอนไปว่าหน้างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องตายเขาก็รับไม่ได้เขาก็อยากจะให้มันตายเร็วเขาจะได้หมดทุกข์หมดแต่ความทุกข์ของเขามเกิดจากการที่เขาไปพึ่งร่างกายพอพึ่งไม่ได้เขาก็เลยทุกข์แต่ถ้าเขามาปฏิบัติธรรมได้เขาไม่ต้องพึ่งร่างกายไนดะ้เขาก็ไม่ทุกข์เห็นั้ทางที่ดีให้เขาหัด จเจริญจิให้ได้ให้เขาพุโทโธพุโทโธหรือวสวดมนต์ให้เขาหยุดคิดให้ได้แล้วใจเขาจะสงบแล้วจะมีความสุขพะตอนนั้นเขาไม่ต้องใช้ร่างกายให้ความสุขกับเขาคําถามข้อต่อไปจะคุณประธานพอคะ่ะการนั่งสมาธิควรนึกพุโทโธไว้ตรงไหนหรือครับบางทีที่บอกเอาไว้กลางหน้าอก ปลายจมูกบ้างกลางหน้าผากบ้างควรเอาไว้ตรงไหนครับพุทโธไม่ต้องไว้ตรงไหนแล้วพุทโธก็ไว้ตรงที่พุทโธนะเราพุทโธล้วก็อยู่กับความคิดของพุทโธไปไม่ต้องเอาความคิดนี้ไปตั้งไว้ที่ปลายจมูกต้องไม่ตั้งที่หน้าผากไม่ตั้งที่ไหนให้ให้ตั้งอยู่กับความคิดให้ตั้งอยู่กับพุทโธไป คำถามจากคุณบีนาค่ะหากไปซีร็อกหนังสือที่เขาเอามาบริจาคไว้ที่ห้องสมุดหรือไปซื้อหนังสือที่เขาซีร็อกมาขายโดยหนังสือนั้นก็ถูกซีร็อกมาอีกครั้งถือว่าเราผิดศีลข้อลักทรัพย์ไหมคะมันมันมันไกลจากตัวเราไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าส่วนที่เราได้มาถ้ามันเราไม่ได้ไปขโมยเขาเขาอนุญาตให้เรา ทำเราก็ทําไปส่วนเจ้าของเดิมเขาไปขมโมยมาก็าเรื่องขอ ง, ของเขาเขาเป็นผู้รับกรร ม, มนั้นไปเมื่อเขาขมโมยมาแล้วเขาเอามาแจกคนอื่นคนที่คนอื่นมารับก็ไม่ได้รับกรรมด้วยใช่ไหมเหมืนใครไปขมโมยโปรแกรมมาคนนั้นก็ <c oughs> เป็นคนรับกรรมไปแล้วเอาโปรแกรมมาแจกคนอื่นคนอื่นรับการแจกของเขาก็ไม่ได้เป็นกรรมนะเพราะไม่ได้ไปขมโมยเพราะเป็นของรับแจกเขามาอีกทีหนึง่ง แต่เจ้าของนึกกระสิทธิ์เาหงไม่ยอมมองอย่างนั้นแต่ถ้ามองตามหลักกรรมมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมสมมตินคนหนึ่งไปขโมยเงินมาแล้วเอามาแจกนีพวกเราเนี้ยแล้วพวกเรารับเงินนั้นรับผิดหรือเปล่าไม่ผิดอะ่ะใช่ไหมคนที่ผิดก็คือคนที่ไปขโมยเงินมาคนเดียวเหมือนโดนเป็นทูตอย่างเงี้ยไปไปขโมยเงินเศรษฐีมาแล้วก็มาแจกคนจนเนี่ยคนที่ผิดก็รเป็นทูตอะ่ะ ่แต่คนจนที่รับเงินจากโลเป็นฮูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดใช่หอหอคำถามข้อต่อไปจากคุณทิติพรค่ะนมัส ก, การเจ้าค่ะสอบถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าถึงสมาธิแล้วนั่งเป็นแล้วเจ้าค่ะก็มันสุขมันอิ่มมันนิ่งเนนั่งเฉยๆได้ไม่คิดอะไรไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะพูดอะไร อยู่ในโลกของความสงบอยู่ในโลกของคนเดียวตัวเดียวคนเดียวสบาย อ, อกสบายใจเบา อ, อกเบาใจเคยหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ก็หายไปหมดแล้วมันจะติดใจแล้วมันเป็นสบายที่จริงแล้วมันจะติดใจมันกินข้าวไม่ต้องถามว่ามันอิ่มยังไงกินไปเถอะเดี๋ยวถึงเวลาอิ่มมันรู้เองออิ่มเป็นอย่างนี้เอง นั่งสมาธิแล้วเวลาจิตสงบเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็รู้เองถ้ามันสงบถ้ามันยังไม่สงบมันก็ยังไม่รู้ว่าสงบว่าเป็นยังไงยงวิธีให้มันสงบก็ให้มันมีสติอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวอย่าให้มันคิดถ้ามันหยุดคิดแล้วมันนิ่งแล้วมันก็จะเย็นจะสบายขึ้นมาคาถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาโกรธหนูแสดงความโกรธ แต่ไม่นานก็หายโกรธพูดดีกับเขาได้เหมือนเดิมแบบนี้ดีหรือไม่คะจะทำให้เป็นคนไม่เกรงกลัวดูเป็นคนอ่อนแอไหมคะหรือควรทิ้งระยะเวลาไว้สักนิดอย่าเพิ่งพูดดีกับเขาถึงแม้ว่าเราจะหายโกรธก็ตามคะ่ะ อ, อันนั้นมันอยู่ที่ความเหมาะสมไงถ้าเราอยากจะให้เขาเกรงกลัวเราเราอาจจะต้องทำท่าทีว่าเราโกรธเขาหรือไม่พอใจเขาแต่ถ้า แต่ถ้าเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องของจิตใจล้วนๆก็ความโกรธไม่ดีควรจะกําจัดมันทันทีเวลามันเกิดขึ้นมาแต่การแสดงออกของเรานี้มันเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับบุคคลคนอื่นใจเราอาจจะไม่โกรธแต่เราอาจจะยังทำท่าทีโกรธอยู่ก็ได้เพื่อรักษาเพื่อให้เราได้สิ่งสิ่งที่เราต้องการ ถ้าเราไม่ทําท่าทีโกรธเขาเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องการคือให้เขาควารลบยอมเกงเราไม่เกิดขึ้นมาอันนี้คนตัดเรื่องกันนะขอให้เข้าใจว่าความโกรธนี่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทําลายมันให้หมดไปในจักใจแต่การแสดงอาการของความโกรธนี่แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าจำบางทีเด็กมันไม่กลัวเราก็ต้องทําท่าทางโกรธมันบ้างเอาไม้ตีมันบ้างี้แต่ไม่ได้ตีด้วยความโกรธ ตีเพื่อตักเตือนตีเพื่อสั่งสอนตีเพื่อกำลาบตีเพื่อให้เขาเกรงกลัวถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยคำถามข้อต่อไปจากคุณรูปนามค่ะถ้ามีสติตลอดจะฝันไหมครับถ้ามีสติตลอดก็จะไม่ฝันเพราะความฝันมันจะมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้านอนหลับมันก็ไม่มีสติเวลานอนหลับนี่มันไม่มีสติ นอกจากว่าถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิมาจนกระทั่งจิตมันติดความสงบมันไม่คิดเวลานอนหลับมันก็จะไม่ฝันถึงแม้จะไม่มีสติมันก็ไม่ฝันได้เพราะมันจะมันจะมันจะชอบมันจะชอบเข้าสู่ความสงบแทนที่จะชอบคิดมันจะชอบเข้าสู่ความสงบแทนถ้าฝึกมันเป็นนิสัยแต่ถ้ายังไม่เป็นนิสัยมันก็ยังฝันได้ ยังแม้เคยนั่งสมาธิได้เวลาหลับมันก็ยังฝันได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิจนมันเป็นนิสัยมันไม่โอกาสจะฝันนี่ก็คงจะมีน้อยจะว่าไม่ฝันเลยก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีโอกาสที่จะฝันได้บ้างไม่ฝันบ้างแต่อาจจะมากน้อยเท่านั้นเองคนที่ฝึกสมาธินี้ก็จะฝันน้อยกว่าคนที่ไม่ฝึกสมาธิคำถามข้อต่อไปจากคุณบีนาค่ะ หากเราไปซื้อของที่ตลาดจํานวน80บาทนาเงินให้แม่ค้าพันบาทแล้วแต่แม่ค้ายังไม่ได้ทอนเงินและให้บอกและบอกให้เรานำของไปใช้ก่อนหากเรานำของไปใช้และยังไม่ได้นำเงินมาคืนเราตายไปก่อนเราจะติดหนี้แม่ค้าข้ามภพข้ามชาติไหมคะหรือหากเราวางเงินไว้ที่แม่ค้าแทนและนาของไปใช้แต่ไม่ได้เอากลับมาเอาเงิน เพราะเราตายไปแล้วแม่ค้าจะติดหนี้เราหรือเปล่าคะมันก็อยู่ที่จิตเจ็ดเจ็ดฮะคือมันก็อาจจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ไม่รูแ้แต่เจ้าของเงินว่าเขาจะติดหรือเปล่าถ้าเขาไม่ไม่ติดใจมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่เขาก็ไม่มาทวงหนี้เราในภพหน้าชาติหน้าถ้าเขาติดใจเขาก็จะมาทวงหนี้กลับไปเท่านเองอมันอยู่ที่ว่าคนที่เขา คนที่เราเอาเงินเข้าไปนี่เขาติดใจหรือเปล่าบันทีก็ไม่ติดใจไม่ก็เามื่อคืนเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาคิดว่าเป็นการทําบุญไปอันนี้ก็จะไม่มีเวรตามมาแต่ถ้าเจ้าของเงินนี้เขาติดใจคอยจ้องคอยรอเร า, าเมื่อไหร่จะมาให้เร า, าทันทีเวลาเราตายไปเขาก็อาจจะไปตามหาเราชาติหน้าถ้าเจอกันชาติหน้าเขาก็จะจําเราได้เพราะนี่มันเคยติดเงินเราอยู่เนี่ย คำถามข้อต่อไปจากคุณซีโร่ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะสองเดือนที่แล้วหนูไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและได้ตัดอวัยวะบางส่วนไปเพื่อไม่ให้ลุกลามตอนตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งหนูสบายใจดีและพยายามจับคำภาวนาพุทโธแม้ตอนเข้าห้องผ่าตัดแต่ช่วงรักษาตัวอยู่นี่มีมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมาทาให้มีทุกขเวทนาอย่างมากจิตขับ จับคบริกรรมไม่ได้เพราะปวดมากรู้แต่ความเจ็บปวดหนูควรแก้ไขพิจารณาอย่างไรเจ้าคะก็หัดอยู่ความเจ็บปวดไปถ้าเราบริกรรมพุทโธให้จิตสงบไม่ได้ก็สอนจิตว่าเวทนามันเป็นสิ่งที่เรากาจัดมันเองไม่ได้ถ้ามันจะอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ามันจะหายก็หายถ้ามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไป ถ้าเราอยากให้มันหายหมันจะทรมานใจถ้าเราไม่อยากจะทรมานใจเราก็หัดอยู่กับมันไปหรือดีไม่ดีไม่ดีก็หัดชอบมันซะเลยไหนๆจะต้องอยู่กับมันแล้วก็ชอบมันดีกว่าไปเกลียดมันเหมือนถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบมันมันจะทรมานใจเพราะเราอยากจะให้เขาไปแต่เขาไม่ไปแต่เมื่อเขาไม่ไปเราต้องอยู่กับเขาก็หัดชอบเขาเสียก็หมดเรื่องพอชอบแล้วก็จะ ไม่รู้สึกทรมานใจเอาละนะเดี๋ยวตอนนี้หมดชั่วโมงแรกพอดีก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคะลังเอวามวาอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัปติ อิทิตังปฏตติตังตุมหังคิป้เมวะสมมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหระโสยถามะนิชติอราโสยถาสัพพิตโยเวหะจันตุ สัพพะโรโควินาทสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง f a c e b o o สามร้อยแปดสิบสามหนึ่งร้อยี่สิสองวิทยุออนไลน์สาสิบหรับฟังบนเขาสาสิบสามรวมทั้งสิ้นห้าร้อยเจสิบสี่ค่ะมีคำถามต่อไหมค่ะมีคำถามค่ะ่ะากันไปค่ะคำถามจากคุณประสงค์ค่ะ นมัสการพระอาจารย์ครับลูกเล่นพนันในโทรศัพท์เราสอนแล้วถ้าเขาไม่เชื่อกลับเล่นอีกเราควรจะทําอย่างไรครับอย่าให้เงินเขาเลย่จะไม่มีเงินเล่นเขาก็ไม่เล่นถ้าเขาจะไปขโมยเงินถูกตารวจจับไปให้เขาติดคุกไปอย่าไปอย่าไป อ, อย่าไปถ่ายไปอะไรเขาให้เขารู้จักโทษของการกระทําที่ไม่ดี ถ้าเราไปช่วยเขาในทางที่ไม่ดีเขาจะไม่เข็ดหลาบนะเนื่ถ้าเขาเอาเขายังของเงินเราอยู่ก็ก็งดการให้เงินไปถ้าเอาเงินไปเล่นการพนันก็ไม่ให้ถ้าจะเอาเงินก็เอามือถือมาแล้วซื้อเครื่องแบบถูกๆแบบใช้แต่โทรศัพท์อย่างเดียว ถ้าไม่เช่นั้นก็อย่าไปใช้มันเลยให้ อ, อคําถามข้อต่อไปจากคุณอิสรีค่ะชอบอยู่คนเดียวติดนั่งสมาธิแบบนี้ถือว่าเราติดสุขไหมเจ้าคะ อ, อ๋อติดนะแต่เป็นสุขที่ดีไงเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพวกคนเราทุกคนติดสุขที่นั่นน่ะแต่เป็นติดสุขแบบยาเสพติดสุขที่มีความทุกข์ตามมา สุขที่ทำให้เราล่องห่มล่องห้เยด น, นการติดสุขจากการนั่งสมาธินี้ไม่เป็นการเสียหายอะไรติดไปเถิดดีกว่าไปติดแฟนติดขนมติดกาแฟติดอะไรเดี๋ยวมีโทษตามมาไม่ใช่อะไร คำถามต่อเนื่องจากคุณอิสรีค่ะวันๆชอบฟังแต่ธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้แต่กลางคืนก็ชอบฟังธรรมะเพื่อนบอกว่าทำอะไรก็ให้พอดีเราอยู่ทางโลกแบบนี้เราควรจะทำอย่างไรเจ้าค ะ, ะความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องเวอย่าเอาคนอื่นมาเป็นมาตรฐานของเราเราใส่รองเท้าของคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมเราใส่รองเท้าขนาดของเรา ถ้าความพอดีของเราคือการฟังธรรมทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ฟังเราไปไม่เห็นมันเสียหายตรงไหนการฟังธรรมมันมีประโยชน์พระพุทธเจ้าบอกจะทาให้เราได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าฟังซ้าฟังบ่อยก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปตามลาดับจะทาให้เรากาจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ ทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและสี่ทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสงั้นไม่มีมันไม่มีมีโทษเลยดีกว่าไปดูไอ้ละครบ้าบอคอแตกหรือบางทีติดตามไม่สิบสามหมูป่าตั้งแต่ยีบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้มันแต่ก็แล้วแต่นะถ้าอยากจะดูก็ไม่ว่าอะไรอย่างนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟัง ถ้าจะดูจะอะไรดูธรรมะดีกว่าฟังธรรมะดีกว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงนั้นความพอดีของแต่ละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระหรือเป็นค า, ารวะพระบางองค์บวชแล้วขี้เกียจฟังก็มีไม่รู้เรื่องธรรมะเลยก็มีอไม่ใช่อยู่ที่ว่าต้องเป็นพระถึงต้องฟังธรรมได้เขาคนมีหูฟังได้ทั้งนั้นมีหูมีใจรับรู้เอ การบรรลุธรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระหรือเป็นโยมคนที่บรรลุธรรมนี่ยคือคนที่ฟังธรรมมากๆ ก, ก, การฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งนะยิ่งฟังยิ่งฉลาดยิ่งบรรลุธรรมได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้น คำถามข้อต่อไปจากคุณจาร์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่พ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดทำให้ไม่รู้สึกรักหรือผูกพันแต่มาปฏิบัติทาแล้วทำให้ทราบว่าต้องตอบแทนบุญคุณท่านพ่อแม่ไม่ร่ำรวยจึงส่งเงินให้ท่านใช้ทุกเดือนแจกจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยด้วยเพราะเมื่อพูดคุยกันจะมีเหตุทาให้เขาเสียใจและเราจะรู้สึกผิด หากยมหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับพ่อแม่แต่ยังส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนจะได้หรือเปล่าเจ้าคะได้ถ้าทําอะไรแล้วมันมีผลเสียก็อย่าไปทํามันทําในสิ่งที่มีผลดีไม่มีผลเสียคําถามข้อต่อไปจากคุณสุดาวันค่ะการที่มีคนเขาทําบุญโรงศพแล้วเขียนชื่อคนเป็นอันนี้หมายความว่าอย่างไรคะจะบาปไหมคะ หมายถึงเขียนชื่อคนเป็นค่ะการ<ม>ที่มีการขอโทษนะคะเดี๋ยวยมขออ่านอีกทีการที่มีคนเขาทำบุญโรงศพแล้วเขียนชื่อคนเป็นอันนี้หมายความว่ายอย่างไรและจะบาปไหมคะเขียนชื่อคนคือคนเจ้าของโรงศพคนที่บริจาคโรงศพนะไม่ชัดเจ น, นไม่เป็นไรเลยเขียนไม่เขียนโรงศพมันไม่ได้ทำให้คนตายหรอกคน Mm hmm. ลงศพมันก็เป็นแค่ที่ใส่คนตายนั้นเองใส่ชื่อคนเป็นเข้าไปมันก็ไม่ทําให้คนเป็นตายหรอกก็อย่างนี้นี่คนบางคนเชื่อบางทีไม่รู้อยากจะฆ่าเขาก็ฆ่าไม่ได้ก็เลยฆ่าแบบนี้ก็กกลแล้วกันว่าบ่อยๆจากลงศพแล้วเขียนชื่อเขาใส่ในลงศพ mm hmm. มันก็เป็นเพียงแต่การแสดงความปรารถนาอยากให้เขาตายเท่านั้นเองซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดี mm hmm. คิดอย่างนี้อย่าไปทําบุญดีกว่า mm hmm. ทำบุญมันต้องอย่าอย่าไปคิดร้ายต่อผู้อื่นทำบุญเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขคนจะคิดให้อภัยเขาดีกว่าถ้าโกรธเกลียดเขาก็ให้อภัยเขาบอกอ่ะคิดว่าใช้เวรใช้กรรมกันไปใช้หนี้เก่ากันไปอย่าไปสร้างหนี้ใหม่คำถามจากคุณปลายค่ะอา น, นิสงการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลหลังเสียชีวิตไปได้อา น, นิสงเช่นไรครับ อดนิสงส์แต่ไม่ได้ประโยชน์เราไม่ได้บุญเาอ น, นิสงส์คือประโยชน์คือนักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้เรื่องของร่างกายว่าหมอจะเป็นหมอได้นี้ต้องรู้เรื่องของร่างกายว่ามีอวัยวะตรงไหนลักษณะอย่างไรต่อไปเวลาจะผ่าตัดจะได้รู้ว่าผ่าตรงไหนถูกเอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับหมอกับพยาบาลแต่ผู้บริจาคไม่ได้รับประโยชน์ถ้าไม่ได้บริจาคตอนที่เป็นเอ จะต้องทาแบบตอนที่ยังไม่ตายให้เขาตอนที่ไม่ตายขยับได้ร่างกายเอาไปเลยอยากจะผ่าร่างกายดูอะไรก็ให้เขาผ่าถ้าอย่างนั้นนะถึงจะได้บุญคือเราได้สละร่างกายในขณะที่ยังยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปเขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะสละหลังจากที่ตายไปแล้วอันนี้ไม่ได้บุญเช่นอยากจะสละอาวิวัฒน์สละตอนที่เรายังเป็นอยู่ไขตาบอดพักตาเราไปข้างหนึง่ง ไข่ตับเสียไตยเสียเอาไตาเราไปข้างหนึ่งลอดไครเสียเอาลอดเราไปครึ่งหนึ่งนี้ถ้าทำอย่างนี้เรายังรู้สึกตัวเรายังรู้อยู่ว่าเราได้ทําประโยชน์อันนั้นเราก็จะเกิดบุญเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเราให้ตอนที่เราตายไปแล้วนี่เราไม่รู้ว่าใครใครได้รับหรือไม่ได้รับเราก็จะไม่เกิดมีความรู้สึกสุขใจบุญยังไม่เกิดคาถามข้อต่อไปจากคุณ ชนะชันพาค่ะพระอาจารย์ครับในมหาสติปทานสูตรกล่าวว่าถ้าได้เจริญสติต่อเนื่องสามารถบรรลุธรรมไม่เกินเจปีแต่การบรรลุธรรมต้องพิจารณาด้านปัญญาไม่ทราบว่าการพิจารณาทางด้านปัญญาที่ปรากฏในมหาสติปทานสูตรนั้นเป็นอย่างไรครับเก็อ่านไปสิร่างกายให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายร่างกายไม่มีตัวตนมีแต่อาการ3 2ม ตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปอันนี้ก็คือปัญญาเวทนาก็มีอยู่สามมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอนัตตามันเกิดดับของมันเราไปสั่งมันไม่ได้มันมาอย่างไรก็ต้องรับมันไปอย่าไปอยากอยาก่าไปเปลี่ยนมันอยากไปเปลี่ยนมันปป น, มนันมันจะทุกข์จิตเราก็มีอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีก็เครียดบางทีก็ไม่เครียดบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบบางทีก็เบิกบานบางทีก็หดหูก็ให้รู้ไปว่ามันเป็นอารมณ์ของจิตที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้มันมาอย่างไรก็อยู่กับมันไปอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใจก็จะหลุดใจก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือปัญญาสามระดับระดับกายระดับเวทนาระดับจิต ต้องปล่อยวางทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตถึงจะหลุดพ้นได้คำถามจากคุณดาทางไลน์ค่ะลูกพยายามฝึกนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนหรือไม่ก็ตอนเช้าตีสามตีสี่หรือแล้วแต่ร่างกายจะตื่นค่ะแต่การนั่งไม่เป็นผลจิตส่งออกนอกตลอดลูกบริกรรมพุทโธแป๊บเดียวพุทโธหายค่ะ กลับมาดูนั่งดูลมหายใจเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะใจจะมีโทสะค่ะคิดเรื่องงานเข้ามาเสมอๆพยายามจะทิ้งมันก็วนเข้ามาแบบนี้ค่ะไม่ไปไหนสักทีค่ะจะแก้อย่างไรดีคะเราฝึกพุทธโธน้อยไปไงเรามาฝึกเฉพาะตอนที่นั่งมันไม่พอเราต้องฝึกทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราต้องฝึกพุทธโธไปแล้วอย่าปล่อยให้ใจคิด ช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการทํางานกับพุทโธไปอาบน้ํากับพุทโธล้างหน้าแปรงฟันกับพุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวกับพุทโธรับประทานอาหารกับพุทโธเนี่ยช่วงนี้เราพุทโธได้ไม่พุทโธกันไหวให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมานั่งสมาธิมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะพุทโธต่อมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามข้อต่อไปค่ะกลับนับศักการหลวงพ่อค่ะโยมอาศัยอยู่ที่อเมริกาโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านคนเดียวโดยอาศัยฟังจาก YouTube โยมปฏิบัติดูกายดูจิตหนึ่งสองปีแรกก็เจริญดีแต่มาช่วงหลังฟุ้งซ่านมากนั่งสมาธิแทบไม่ได้เลยเหมือนมันยังเหมือนมันยิ่งถอยหลัง ถึงทางตันในระหว่างวันก็พูดเรื่องธรรมมากกับตัวเองเหมือนถามข้อสงสัยที่มีอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ฟังในจิตคอยแต่จะถามอย่างนี้ตลอดโยมพิจารณาดูแล้วว่าโยมอาจจะข้ามขั้นในการปฏิบัติเนื่องจากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกศีล ส, สมาธิปัญญาแต่โยมเหมือนเดินปัญญาและละเลยสมาธิ อยากถามว่าโยมพิจารณาถูกไหมและทำไมโยมชอบพูดเหมือนถามคำถามธรรมะตลอดเวลาจนโยมรู้สึกว่ามันคงไม่ปกติโยมจะแก้อย่างไรดีคะและโยมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ่ะก็มาฝึกหยุดความคิดเนี่ยอย่าคิดมาฝึกสมาธิก่อนมาฝึกสติก่อนพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆห ร, อรือเฝ้าดูร่างกายไม่พิจารณาร่างกายให้เฝ้าดูเฉยๆ ให้ดูว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรกำลังยกแขนกำลังยกขากำลังหันหน้าหันไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากำลังลับปากทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันให้เฝ้าดูมันไปอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปคิดก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมาฝึกสติหยุดความคิดก่อน เพราะความคิดของเราตอนนี้มันความคิดแบบฟุ้งซ่านความคิดแบบไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์คิดไปแล้วก็จะทำให้เราวุ่นวายใจไปบปล่าๆดงั้ น, น, นต้องมาฝึกสมาธิฝึกสติก่อนหยุดความคิดทําใจให้สงบให้ใจมีความสุขจากความสงบก่อนทีนี้ถึงจะค่อยไปคิดทางปัญญาได้ คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนำ้ำรสการครับพระอาจารย์ขอถามครับมีบางคนเขาชอบด่าติเตียนผู้อื่นทั้งที่เขาก็ไม่ได้เห็นแค่ฟังต่อๆกันมาบางทีก็ไปโกรธเกลียดเขาผมพยายามเตือนว่าอย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวเขาก็ไม่ฟังกลับว่าเราอีกผมก็เลยปล่อยเขาอย่างนี้ถูกไหมครับ ถูกคนบางคนก็ชอบกินทุเรียนบางคนชอบกินมะม่วงเนี่ยเราจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนมันเขาไม่เปลี่ยนหรอกมันเป็นนิสัยของเขาเราบอกแล้วถ้าเขาเปลี่ยนได้ก็ดีบางคนฉลาดเมื่อมีคนมาบอกว่ามันไม่ดีไม่ถูกเปลี่ยนได้แต่เขาต้องบังคับตัวเขาเองมันไม่ใช่เปลี่ยนแบบง่ายๆนิสัยนี้มันเปลี่ยนยากเหมือนเราเคยใช้มือขวาอยู่อยู่ดีๆคนอื่นจะมาบอกเธออย่าไปใช้มือขวาเลยใช้มือซ้าย มันบอกได้แต่เขาจะทําได้หรือเปล่าเยถ้าเขารู้ว่าถ้าใช้มือซ้ายแล้วเขาจะรวยขึ้นกว่าเก่าเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลให้เขาเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนหรอกถ้าเขาชอบดูดดาว่าเก่าตำหนิติเตียนคนอื่นแล้วถ้าบอกเขาว่าหยุดดีกว่ามาเปลี่ยนแบบมาพูดมายกย่องสรรเสริญเยืนยอคนอื่นดีกว่าแล้วเธอจะรวยกว่าเก่าถ้าเขารู้ว่ารวยกว่าเก่าเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ แต่ถ้าเขาไม่มีผลตามมาเขาก็ไม่เปลี่ยนเะฉนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของนิสัยใจยคอที่เราอาจจะบอกได้แต่ทําให้เขาไม่ได้เขาเปลี่ยนได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่ว่ามีอินเซนティブหรือเปล่าถ้ามีอินเซนティブเขาก็อาจเปลี่ยนได้อย่างพวกเราทําไมมาวัดกันเมื่อก่อนทาไมไม่มาวัดกันเมืวว่อวานทำไมชอบไปช้อปปิง้งไปกินเลี้ยงไปเที่ยวกัน พอเรามาอ่านธรรมะแล้วมันเกิดอิน CENTIVE ขึ้นมามันรู้ว่าธรรมะนี่ดีกว่าการไปเที่ยวมันก็เลยเปลี่ยนได้เราต้องรู้ว่าการเปลี่ยนของเรานี้จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นทำไมจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมทำไมนี้คนถึงต้องไปเปลี่ยนทรงผมการเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมการเปลี่ยนคิ้วเปลี่ยนอะไรกันเพราะหมอหมอดูบอกว่าเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหม บางคนก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยเชื่อหมอเพราะของเปลี่ยนพวกนี้มันเปลี่ยนง่ายไม่ใช่อะไรมันเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนทรงผมมันเปลี่ยนง่ายแต่เปลี่ยนสันดานนี่เปลี่ยนยากคำถามข้อต่อไปค่ะจากคุณฟูค่ะการที่เรานับถือพระ ไตรสรณคมแล้วแต่เวลาไปสถานที่บางแห่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราให้เกียรติเคารพยกมือไหว้อย่างนี้ถือว่าทำไม่ถูกต้องต่อการนับถือพระไตรสรณคมหรือเปล่าครับ อ, อ๋อไม่หรอกทำได้เพราะแม่เรายังไหว้ได้เลยพระเจ้าแผ่นดินเราก็ยังไหว้ งั้นเรื่องการว่านี้พระเจ้ายกย่องเสมอว่าให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้มันจะแม้แต่หมาก็ไหว้ได้หมาก็พระเจ้าแผ่นดินเงี้ยไอทองแดงทองดํำนี่เจอมันก็กราบมันได้เพราะมันเป็นหมาของพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นไรไม่เสียหายเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่เป็นปัญหาการที่เราถือไตรชรณะนี่เป็นถือเป็นอาจารย์เป็น เป็นคนสอนเราไม่ได้ถืออย่างนัอย่างอื่นเข้าใจไหมถ้าคนอื่นสอนอะไรที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเราก็ต้องไม่เชื่อแล้วเช่นเขาบอกให้สอนให้เราไปฆ่าคนแล้วเราจะรวยอย่างนี้อย่างนี้เราอย่าไปเชื่อละเข้าใจมไอมพระพุทธเจ้าสอนยังไงต้องทําตามที่พระเจ้าสอนเพียงอย่างเดียวใครสอนขัดกับคําสอนเราอย่าไปเชื่อถ้าสอนเราตรงกับคําสอนก็เชื่อได้อ คำถามข้อต่อไปจากคุณมินตราค่ะนั่งอยู่ในล า, ลานวัดช่วงประมาณบ่า ย, ายนิดอยู่ช่วงปฏิบัติอยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมจิตเห็นภาพที่มองอยู่ตรงเป็นสภาพอนัตตาไม่ทราบสภาพนี้จริงไหมคะก็คุณไปคิดไปเองว่าเป็นอนัตตามันบอกหรือเปล่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นยังไงคุณรู้หรือเปล่า เนี่ยก็เพียงแต่มีแต่ชื่อแล้วก็คุณก็ไปปะมันว่านี่เป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าอะไรภาพที่คุณเห็นมันเป็นอนัตตาอย่างไรมันต้องมีเหตุมีผลแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปปะเหมือนว่าเป็นอนัตตาขึ้นมาอนัตตาเป็นอย่างไรอนัตตก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเป็นสิ่งที่เราไปสั่งมันไม่ได้เอสั่งให้มันหายไปไม่ได้เวลามันโผล่ขึ้นมาเอ เวลาไม่โผล่ขึ้นมาสั่งให้มันโผล่ขึ้นมาก็ไม่ได้อย่างนี้ถึงเรียกว่านัตตามันต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีๆก็ว่าเป็นอนัตตาต้องเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาด้วยอะไรเหตุใดมันถึงเป็นอนัตตาคุณลักษณะคุณสมบัติของอนัตตาเป็นอย่างไรช่วงนี้คำถามหมดค่ะหมดแล้วะนะนี่วันนี้อยากจะเลิกเร็วหน่อยถ้าไม่มีคำถามมาเพรเดี๋นี้ชักชเหนื่อยละ ไม่รู้จะพูดอะไรนะวันนี้เลยต้องอาศัยให้คุณสีสรางช่วยพูดนะมาบ่อยๆน่นี่จะได้เทศแทนเราได้นะว<อ>่างไงคนนี้อยากจะพูดต้องนานมาพูดไหมเออัมีสิบห้านาทีเอาวันนี้เปิดโอกาสเอ า, เอาอาลาโพงไปเอยเอาไมโครโฟนไป หนหาไปไหนมาไปดูแม่แ่กำลังโรยาบาลก็เลื่อนไปแค่ะแม่เห็นเห็่หอบเหนื่อยแล้วก็ตอนแรกก็ว่าเออดื่มน้ําลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัดใจไหมแม่นัตตาด้วยใช่ไหมใจพอเห็นคุณแม่อย่างไรแล้วบอโอ๊ยใจเราก็หอยแบบว่าสงสารท่านมากทีนี้เอบางทีก็บอกเรียนท่านว่า แม่อย่าทิ้งพุโทโธนะให้แม่ภาวนาไว้นะคะและ้วก็ซ้ำคำเปิดเปิดเปิดเทศของหลวงพ่อให้คุณแม่ฟังบางครั้งบางคราวแล้วก็ย้าว่าผมว่าร่างกายนี้ไม่ไม่ใช่แม่นะบอกแม่เป็นใจแม่ไม่ตายนะเราต้องให้คุณแม่พุโทโธท่านก็สงบไปได้พักหนึ่งนะค ะ, ะแล้วสักวันเดียวก็หอบ ลืมลืมลืมลืมเหคะอย่างนี้ก็เราก็ต้องย้าย้าไปเรื่อยแล้วมีวิธีที่จะช่วยท่านไม่ให้พะวักพองวนหรือว่าให้ท่านท่านสงบมาก้นก็เนยก็สอนไปว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็ก็็ต้องย้าบ่อยๆมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปค่ะดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปกินได้ก็กินไปค่ะ ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันอยู่ตามสภาพของมันไปค่ะโยมก็ไปเปิดตําราดูว่าโรคนี้รักษาะอะไรยังไงเสร็จแล้วโยมก็เกิดเกิดไซด์ทรัคว่าเอ้มีทางรักษาแล้วก็พยายามจะรักษาได้ก็รักษาไปมไม่ห้ามแต่และอย่าไปเครียดกับมันรักษาแล้วไม่หายก็ต้องยอมรับว่าไม่หายทีนี้ทีนี้คุณหมอนี่บอกว่า จะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดนี่ความเสี่ยงเท่ากันน<อ>ะคะโยกทลายหลายๆคนหลายๆท่านก็บอกว่ า, อ, าอย่ายไปทรมานอย่าไปท ำ, <อ>ทำถ้าผ่าแล้วมันไม่ดีขึ้นความเสี่ยงอาจจะตายเร็วขึ้นก็อย่าไปผ่าดีกว่าก็อยู่ไปตามสภาพของมันคิดว่าเราย้อนยุคไปสมัยที่ไม่มีโรงพยาบาลกันแล้วกันสมัยก่อนคนที่ไม่สมัยนั้นก็ไม่มีโรงพยาบาลก็ทําไงกันนะเขาก็ปล่อยนอนไปกินยาไปค่ะ อมียาต้มยาอะไรก็กินไปออก็ว่าไปเราย้อนยุคไปอดีตดีกว่ารักษาแบบอดีตดีกว่าไม่วุ่นวายไม่เสียเงินด้วยรักษาที่บ้านหรือรักษาที่โรงพยาบาลก็เอาแค่เอรักษาสามสิบบาททุกโรคไม่ต้องไปเสียเป็นแสนเป็นล้านเสียไปเปล่าๆเอาเงินไปทําบุญดีกว่า ใช่ไหมแต่เขาคิดไม่เป็นกันเขาคิดว่าต้องต้องรักษาให้เต็มที่ <Okay. S 1> ถ้ามีก็ทําไปแต่ถ้ารักษาแล้วก็ร่มจมกันก็อย่าไปรักษาดีกว่ า, <Okay. S 1> าต้องต้องชั่งน้ําหนักดูถึงผลดีผลเสียที่จะตามมา <Okay. S 1> ถ้าผลมันเสียมากกว่าดีก็อย่าไปทํามันดีกว่า <Okay. S 1> อามีคําถามข้อใหม่ไหม เราตอนนี้กลับหายแล้วยังหรือหรือเข้าโรงไปลแล้วคือคเมื่อไหร่ที่ที่ไม่มีไข้หรือพอจะทรงทก็เอากลับบ้านนะคะพอพอติดเชื้อขึ้นมาอีกก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเข้าออกก็ออกไปใช่อ่าเชิญถามต่อคำถามจากคุณปลายค่ะกราบถามพระอาจารย์ครับอาชีพที่ประกอบอยู่เป็นอาชีพที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอยู่ในงานแต่เราไม่ได้ดื่ม งานเช่นนี้เป็นกรรมต่อเราไหมครับอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปขายเอาก้อนคนก็ดื่มเดี๋ยวคนดื่มเมาแ ล, แล้วอาจจะมาทุบตีเราก็ได้ถ้าเราขายแต่โคาเป๊ปซี่หรือน้ำส้มนี้เขากินแล้วไม่เมาเขาเขาเขาก็ไม่มาทำร้ายเราอ่าดังนั้นมันก็มีผลกระทบเพราะเราไปส่งเสริมให้คนมึนเมาเมื่อคนก็มึนเมาแล้วเขาก็ไม่มีสติที่จะยอบยั้งจิตใจ เวลาเกิดเขาว่าลมเสียขึ้นมาเขาก็อาจจะระบายเห็นหน้าเราก็หมั่นไส้ขึ้นมาก็อาจจะหาเรื่องอันนี้ก็ถ้ามันก็เป็นผลกระทบในที่เราเห็นใกล้ที่สุดที่ไกลกว่านั้นก็อาจจะเป็นคนอื่นดื่มชุราแล้วเราขับรถกลับบ้านมันเมามันขับมาชนเราเกิดอุบัติเหตุตายกันไปอันนี้ก็เกิดจากการดื่มชวรายาเมาการคนจะดื่มชวราได้ก็ต้องมีคนขายใช่ไหม ต้องมีคนเสิร์ฟถ้าเราไม่ขายไม่เสิร์ฟมันก็ไม่มีคนเดิมคำถามข้อต่อไปจากคุณกิติยาค่ะกราบเรียนถามค่ะพระอาจารย์คือจิตโยมฟุ้งมากโยมเลยนั่งดูจิตตนจิตบอกว่าเป็นม้าพยศ จะเห็นมา้าวิ่งไปวิ่งมาโยมจึงถามตนว่าพยศเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรจิตถามจิตแบบนี้เป็นการฝึกปัญญาใช่ไหมคะโยมทำถูกไหมคะขอคำแนะนำค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะไม่ต้องไปฝึกปัญญาไม่ใช่วิธีฝึกปัญญาปัญญาไปเร็ยนจากพระพุทธเจ้าดีกว่า พระพุทธเจ้าบอกจิตพะยศเพราะตัณหากิเลสไม่ต้องไปถามตัวเองให้เหนื่อยว่าเปล่าหยุดหยุดตัณหาความอยากมันก็หายพะยศหยุดด้วยสติงั mm ้น hmm. เรามีปัญญาอยู่แล้วมีคนสอนปัญญาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดค้นหาตัวเองเสียเวลาเปล่าดีไม่ดีเดี๋ยวคิดผิดไปกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปงั้นมีสัมมาทิฏฐิอยู่รอเราอยู่แล้วไปศึกษาจาก พ, าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าเรื่องของปัญญา แล้วก็มาเอามาปฏิบัติมากำกำจัดความพย์ของจิตนจิตมันพย์เพราะมันไม่มีสติเหมือนม้าที่ไม่มีบางเห็นเอามาไปผูกบางเห็นไว้ต่อไปมันก็จะควบคุมบังคับมันได้คำถามข้อต่อไปจากคุณบอลค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตเรากับอีกจิตดวงหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นกันไม่เคย รู้จักกันมาก่อนพอเจอการเหมือนเรารู้จักและคุ้นเคยกับเขามาก่อนและปัจจุบันรู้จักกันเหตุใดจิตเราถึงรู้สึกกับเขาแบบนั้นครับเพราะเรา ม, มีความจำได้ในใจเราไหเราเคยมีประสบการณ์กับใครมมันจะฝังอยู่ในใจพอเราไปพบกับเขาอีกมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเราจงมักจะมีเวลาเราเจอคนนี้จะมีความรู้สึกสามแบบ เจอบางคนก็ชอบขึ้นมาทันทีเยอบางคนก็เกลียดขึ้นมาทันทีเยอบางคนก็เฉยๆขึ้นมาทันทีอยู่ที่ประสบ ป, ประการณ์อดีตของเราถ้าเราเคยชอบใครพอเห็นปั๊บมันก็จะชอบถ้าเคยเกลียดใครพอเห็นก็จะเกลียดถ้าไม่เคยพบไม่เคยชอบกันไม่เคยเกลียดกันมาก่อนเวลาเจอกันก็เฉยๆไปเยสัญญาความจำมันฝังอยู่ในใจเรา มันจะอัตโนมัติมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีคํำถามจากคุณวิกกี้ค่ะขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยเล่าบรรยากาศในวัดป่าสมัยก่อนเช่นในวัดป่าบ้านตาดว่าบรรยากาศมีความสปายะและส่งเสริมการภาวนาแตกต่างจากสมัยปัจจุบันมากไหมครับเพื่อเป็นประโยชน์และกําลังใจให้กับคนรุ่นลังด้วยครับอ๋ออดีตมันผ่านไปแนละ้วไม่เป็นประโยชน์แล้ว คนไปสัมผัสปัจจุบันดีกว่าไปดูปัจจุบันสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำถามจากคุณศรีห้าค่ะกราบนัมสการครับพระอาจารย์ปัญหาเกิดจากความอยากใช่ไหมครับความอยากก็มาจากความคิดใช่ไหมครับผมเคยบอกให้เขาหยุดคิดแต่เขาไม่เชื่อผมผมก็เลยวางเฉยถูกไหมครับบอกก็แล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องหยุดเหมือนกับ ให้เงินเขาแล้วเขาไม่เอาก็ไม่ต้องให้ใช่ไหมถ้าเราให้เงินใครแล้วเขาไม่รับเราจะทําไงเราก็เก็บไว้เลยธรรมะนี่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองใช่ัหมเมื่อให้ของมีค่าเขาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> คำถามจากคุณอิสรีค่ะชวนเพื่อนไปทำบุญก็ได้รับคำตอบว่าไม่ว่างทุกทีแต่ทำไมจิตอยากชวนเขาอยู่ตลอดคะเหมือนอยากให้เขาไปทำบุญกุศลบ้างอยากทราบว่าทำไมเราถึงพยายามชวนเขาอยู่บ่อยๆทั้งๆที่ผิดหวังทุกครั้งที่ชวนคะ่ะเพราอเราเราอยากให้เขาทาบุญเลยหมดแล้วเลยถ้าเราไม่อยากก็ทาบุญเราก็ไม่ชวนออใช่ไนหะ อ, อ ถ้าเราอยากเราก็ต้องชวนชวนแล้วก็ยังยังไม่ทําแต่เรายังไม่หายอยากเราก็ต้องชวนต่อชวนไปจนกว่าเราจะห า, ย อ, ย า, อ, หายอยากเมื่อหาอยากแล้วก็ไม่ชวนนะ <c oughs> ความอยากมันจะทําให้เราทําไปเรื่อยๆทาไปจน ก, การะทั่งมันเ อ, อ ม, น ม, น ม, นมันหมดอยากมันหมดอยากเมื่อไหร่มันก็หยุดเมื่อนั้นยังไม่มาใช่ไหมไม่มาค่ะออไม่มาก็วันนี้เอาแค่นี้เล้ววะนะ คนที่นี่ก็กลับบ้านกันหมดแล้ว ม, มีพวกเรานั่งทาหน้าที่กอคิดว่าพอสมควรนะวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ